بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي و ص ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسورة الأنفال อายะสา3 1ิบสเราได้พูดถึงอุบายหรบบืแผนการของชาวมักษะชาวกุริชหรือู้ปฏิเสัทธาที่วางแผนมุ่งทำลายท่านนบีาาาสุลตัลละขออะลัยอุะซัลเลมและการเผยแพย่ของท่านไม่ว่าจะเป็นแผน ที่ดูเหมือนว่าเป็นแผ น, นโบราณโบราณกักขังกักขังขับไล่หรือกักขังขับไล่หรือในประเทศเนี่ยหรือเข็นค่าสงหาร หรือแผนคู่ขนานกับการทำลายร่างกายท่านนาบีการกักขังการเนรเทศการฆ่าเนี่ยก็เป็นการทำลายตั ว, ต, วตัวท่านนาบีาแล้วก็ดาวะของท่านนาบีล่ะก็คือคุรอานอันนี้ก็เป็นอีกสงครามหนึ่งก็คือสงครามด้านความคิดดูเป็นแผนโบราณมากเพราะอายุ พั0ส่รอยกว่าผีละแต่มันก็เป็นแผนที่ใช้กันทุกยุคทุกสมัยเพื่อลบล้างหักล้างความจริงและสัจธรรมในการทำลายบุคคลที่เผยแพร่ ค, ความจริงและสัจธรรมหรือบุคคลที่พูดความจริงใครก็ต่างพูดความจริง ให้ปิดปากซะถ้าไม่ปิดปากเองอ่ะแล้เดี๋ยวขาปิดปากให้นี้คนที่เขาพูดความจริงเขาไม่ได้มีเพียงไม่ได้ไม่ได้มีเพียงลำพังตัวเขาเองที่เป็นสิ่งที่ก่อ ก, กวนคนที่ไม่ไม่ชอบความจริง คือคนที่ไม่ชอบความจริงเนี่ยประเด็นเขานี่ไม่ได้อยู่ที่ตัวตัวคนแต่อยู่ที่ความจริงที่คนคนนั้นน่ยเขาพูดอยู่ถ้าทําลายเขาเนประเทศเขากับไล่เขาฆ่าเขาแต่ความจริงเนี่ยมันยังอยู่อ่ะมันก็จะต้องมีแผนคู่ขนานในการทําลายความจริงเบียดเบือนความจริง ชาวมคานีเขากางแผนทีะทาลายท่านนบีสามแผนเนี่ยว่ยมัครุบิกลดีนก็ฟรูลิยิทูกอยตลูกอายุคริจุกข่านบีหรือจะกักขังหรือจะเนรเทศมุครุนว่ครุลลอฮัลลอฮรุลวากรินอุบายแผนเขามีแค่นี้แต่อุบายของอัลลอฮยอมเนี่กว่าแต่ก็ยังเหลือความจริงที่ท่านนบีสุลตาลอฺอะลาะพูด เขาเลยต้องม่งทำความจิลว่าแลวาแล้้เมือลาห์นี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่าี่นี่นี่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นี่นี่นก่นี่น่นี่นี่นี่นี่นี่นี่่นี่นี่นี่นี่ ว่าคุรานี้มันเป็นสานวนธรรมดาธรรมดาอินฮะจะอิลลัอาซาติรุอัลโวลินเบร่งประเพณีเป็นนิทานเล่าของคนรุ่นก่อนอันนี้ไดสเรดิตความจริงและจะทำของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทั้งสองแผนเนี่ยล้มเหลวแผนที่จะทาลายตัวท่านนบี และแผนที่จะทำลายอุตรานหรือทำลายความจริงที่อยู่ในอุตรานความบังอาจของเขาความบังอาจของชามม ก, กะศัตรูอิสลามนะพอแผนนี้มันล้มเหลวทั้งสองแผนเลยก็จะเอาตัวเองหรือเอาความเสี่ยงทายมาการันตีวิเคราะห์ได้แบบนี้ เพราะอะไรเพราะคนที่เขาไม่มีความจริงไม่มีสัจธรรมไม่สามารถการันตีความถูกถูกต้องของตัวเองนอกจากสงทางดังนั้นทางหนึ่งก็คือเอาเครดิตที่ตัวเองมีนะมาการันตีข้ออ้างของของตัวเอง ตัวเองเป็นใครตัวเองมีตำแหน่งอะไรมีบารมีแค่ไหนเนี่ยเอาอันนี้เอาตัวเองเนี่ยมาการันตีว่าฉันนะ่ะถูกต้องแล้วเพออราะอะไรเพราะฉันเป็นแบบนี้พี่น้องฟังที่ผมอธิบายแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์หลายสถานการณ์เนี่ยก็จะก็จะเห็นมันมีอะไรคล้ายๆกันนะ ไม่มีความจริงเอาตำแหน่งของตัวเองเอาสถานะของตัวเองหรือมิเช่นนั้นก็เอาความเสี่ยงทายคือท้าทายท้าทายให้อะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นนี่มันจะเกิดขึ้นห ร, หรือไม่เกิดขึ้นถ้าเธอจะเรื่องเธอเรื่องของตัวเองจริงไงนะขอให้ฉันตายซะโดยที่ เขานึกว่าเขาอาจจะไม่ตายก็ได้แล้วถ้าเขาไม่ตายล่ะอ่าแสดงว่าแสดงว่าไม่จริงแต่อันนี้มันใช่มันใช่ความจริงที่สามารถหักล้างสัจชาธรรมและความจริงของฝั่งตรงข้ามหรือมันเป็นแค่เขาเรียกะหมือนเหมือนลูกเต๋าอะโยนไปออัด จะได้จะไ ด, ะได้เหมือนไพ่อเปิดไพ่อะโยนลูกเต๋าว่ามันอาจจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้เออเดเรียกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคอยมันเป็นอย่างงั้นแล้วไอ้มันจะเป็นหรือไม่เป็นน่ะนะไม่รู้เสียงไทยเพราะผลผ ล, ผลอุบายของชาวมุกกดาในการฆ่านาบีในการขับไล่ในการในการกักขัง ไม่สำฤทธิผลแผนเขาคู่ขนานในการที่จะทาลายได้สคริปอุานไม่สำฤทธิ์ผลเขาก็เลยใช้วิธีนี้แหละในายสามสิบสองว่าอิคาลุลลอฮ์มะอินแคนะฮะดะฮ์ฮุวะลักฮ์มินอินดิกะ فأمطار عليناحجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم ว่าอิศร์กล่าวว่าท่านนบีท่านนบีตอนนี้ก็อยู่ที่มากา์แล้วก็มาดีอยู่นบีก็อยู่ที่มาดีนาแล้วหรือตอนนี้เขาอยู่ที่มาการ์นี่เละแล้วเขาก็ยังมีแผน อุบายที่จะทำลายท่านนาบีและไม่สมลิดพ้นเพราะแผนเขาที่จะฆ่านาบีที่จะขับไล่นบีที่จะเนรเทศนบีที่จะกักขังนบีเนี่ยเขาก็พยายามกันมาหลายหลายครั้งหลายขั้นตอนแผนที่จะได้สกุลอ่านนี่ก็ทำมาโดยตลอดก็จะต้องมีอะไรที่จะบันทอนความน่าเชื่อถือ ของศัจธรรมที่ท่านนาบีถืออยู่เขากล่าวว่าข้าแต่ a l l a AH. เขานี่คือใครนะชามกกานนะข้าแต่ Allah ข้าแต่ Allah หากปรากฏว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือ ความถูกต้องศัจธรรมที่นบีมีอยู่หรือคนะุราน่ะหากสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แลวใส่ก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้ า, ก า, กากตกลงมาดังฝนแก่พวกเกราเาราาารถิด โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้าตกลงลงลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิดอาวิจินาบีอาดาบิอลิมหรือไม่ก็โปรดทรงนำมาแก่เราซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบถ้าคุาณอ่านนี่จริงนะนะขอให้มีฝนเป็นหินน่ะ ตกมาโดนเราหรือไมอ่งั้นก็ขอให้เราเนี่โดนอาจาเบียงเจ็บแสบเลยเล่นไพ่นะันเนี่ยความเสี่ยงตายเขารู้ยังไงอะวว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่น่าสังเกตนะครับว่าเขาขอกขอขอข อ, ขอต่อใครอะขอต่อรอนี่แหละข่าแต่ าแต่ Allah, อัลลอก็ก็แสดงว่าเขาเชื่อเขาเชื่อในอัลลอ์เดียวกันของท่านดาวีนี่ใช่อันนี้เรื่องนี้เราเราต้องจดจำว่าอย่าลืมว่าชาวรักาเนี่ยเชื่อในอัลลอ์ ซึ่งเป็นพระเจ้าเดียวที่ท่านนบีสุลต่านละวะเลาะเซลล์กำลังเรียกร้องให้ชาวมาก้าเนี่ยศรัทธาต่อพระองค์เอา้า แ, แล้วก็ทําไมแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะทําไมมีปัญหากันน่ะก็ปัญหาว่าเขาไม่ยอมเชื่อว่ามีญญาพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าหลายองค์นี่คือปัญหาปัญหาใหญ่ถ้าจะเข้าใจแบบนี้นะเราก็จะรู้อ่ะคือการเชื่อเนี่ยอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่การตเต็มใจที่ให้เอกภาพแต่ Allah ต่งาง ก, การเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนี่แหละการที่ตัดความเชื่อความศรัทธาในสิ่งอื่นพระเจ้าอื่นอุปโลกเนี่ยนั่นแหละเรื่องยาก ท, ก, ยยท ก, ยกทุกสมัยเลยทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องยากเขาก็ขอต่อ Allah มันก็ดูเหมือนว่า เราก็ขอต่ออัลลอฮ์เดียวกันน่ยน่าเชื่อถือนะใช่ไหมพ่อเนีมูฮัมมัดนี่ก็เรียกร้องเชิชวนให้ศรัทธาในอัลลอ์ก็นี่ไงเรากำลังขอก็อัลลอ์เดียวกันนี่แหละนี่ไงโออัลลอ์แต่หากคุรอานดีที่มูฮัมหมัดนี่แ้างนี่จริงนะขอให้เราเนี่โดนฝนเป็นหินเลยขอให้เราเนี่ถูกอาซาบเจ็บแสบเลยโอ้โหกล้าจังเลยกล้าจังเลย อันนี้เนี่ยเขาเป็นเป็นผู้เริ่มขอโดยในการขอนี่มีการท้าทายให้ลงโทษถ้าไม่เป็นเช่นที่เขาอ้างอันเนี้ยถ้าแบบเนี้ยภาษาอาหรับเขาเรียกอิสติฟตาอิสติฟตาเนี่แปลว่าแปลว่าเปิดขอเปิ ด, ข อ, ปดขอเปิดการท้าทาย ขอเปิดการท้าทายโดยท้าฝ่ายเดียวอันนี้แน่กว่าแน่ะฉันดูอาคนเดียวแหละมัดไม่ต้องดูอานี่เขาเรียกอิสติฟตาเหมือนดูอาอะไรอ่ะเหมือนดูอาอิสติฟตานี่แปลว่าดูอาดูอาเปิดละหมาดนี่แหละอิสติฟตาเปิด เปิดท้าทายเปิดเองฉันฉันท้าเองแต่ถ้าหากว่าชวนท้าในเรื่องดุอาเนี่ยเขาเรียกกัน ah มูบ้าแฮละคนคนณไหมคือมันมีเรื่องรายละเอยียดเล็กๆบางคนนะก็ได้เรียนรู้มาอะไรอันหนึ่งก็เอาไปชา ย, ยันใช่มุบ้าแฮล่นี่สองฝ่ายท้าสองฝ่ายเฮ้ยมานี่ท้าท้าฉันถูก ขอให้ฉันรอดแต่แกถูกขอให้แกรอดถ้าใครปิดเนี่ยขอให้นี่ น, นี่หมายถึงว่ามีการมีการท้าดูอาไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะเนี่ยอันเนี้ยหลังจากที่นบีเชิญชวนนซาโรชาวคริสตของนจรอนะเชิญชวนเขาที่จะเข้าใจหลักการศาสนา لا خ و ق ا باديسيد باديسيد نبيك ش ن ش و ا ن ا م ب ا ل ا ه قلت ع ا ل ى ندعو سورة ل عمران قلت ع ا ل ى ندعو أبناءنا و أ ب ن ا ء ك م و ن س ا ء ن ا و ن س ا ء ك م وأنفسنا وأنفسكم ثم ن ب ت ه ل ن ب ت ه ل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ن ب ت ه ل ن ب ت ه ل بود دعاء ابتهال خو خو อิมติฮัลมุบาฮลานขอกันทั้งสองฝ่ายนี่ขอกันจังมุบาฮลนี่คือความหมายนะและอิสติฟตาะะ้านก็ดูอาเหมือนกันนี่แหละแต่เปิดเปิดคนเดียวฝ่ายเดียวพวกนี้นี่ยอยากจะแสดงความความแน่ความแน่ ह, ह, ह, ह, ตัวนะว่าเราแนี่ न ह, न ว่าที่มุฮัมมัดนมานีไม่ใช่ไม่ใช่คุรานที่มาจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดนี่อาจจะเป็นมุฮัมมัดนี่อาจจะเป็นคนเสียสติขาดสติหรืออาจจะเป็นพวกหมอดูหรืออาจจะเป็นพวกนักนักกวททีที่แต่งกลอนอะไรแต่ไม่ใช่คุรานที่มาจากพระเจา้าที่เรากําลังที่เรากําลังขอหนี่ที่เรากําลังขอแต่พระ อ, องค์นี่ ข้าแต่อัล่ะหากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แล้วไซ่ก็บกรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้ า, ก า, กากตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิดเขาบอกว่าโอลมาบอกว่าที่จริงเนี่ยขอแบบนี้เนี่ยหนึ่ง มันเป็นมันเป็นการอาศัยความเสี่ยงทายซึ่งมันไม่ควรในเรื่องที่ตัวเองไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยสองมันเป็นการเสียมรารยาทกับอัลลอฮ์คือตกลงเชื่อจากอัลลอ์แล้วก็ขอจากอัลลอ์ใช่นี่ขอจากอัลลอฮ์ใช่ไหมก็ควรที่จะมีมรารยาทกับอัลลอฮ์เช่น ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่นะได้โปรดให้ทางนำกับเราด้วยเถอดเอ อ, อย่างนี้มันเข้าท่าหน่อยอย่างนี้มันเข้าท่าหน่อยแต่ท้าทายแบบในทุกกรณีนะฉันก็ไม่เอาเพราะอะไรอะ่ะเพราะจะเป็นเรื่องจริงนะนะตอนนั้นเราก็นั่งเรือแล้วก็เรือหายไปแล้วก็คือไปแล้วไม่อยู่แล้ว มาให้โดนอาสาบไงโอ้โหเล่าตา่ากรงนี้เป็นเรื่องจริงไงนะขอให้เราเนี่ยหายยะนะเออเราก็แค่าหายนะนี่แล้วเราจะศรัทธาเหรอเขาบอกว่ามันเป็นขอดุอิศเป็นการขอดุอาที่ไม่มีตะ ก, กะเลยอะถ้าเป็นเรื่องจริงอะนะคนที่มีสติเนี่ยบอกโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงเ น, น, นี่ยก็เออเราน่าจะมีโอกาสศรัทธากับความจริงดิก็ต้องบอกอ้โเล่าตาว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ย ไ, ได้ปโปรด เปิดทางนําให้เราเปิดหัวใจของเราจะได้ศรัทธาแล้วก็รับใช้ความจริงและศาสนานี้ด้วยเถิดเออแบบนี้คนศรัทธาจริงอ่ะหมายถึงว่าตรงไปตรงมากับความจริงแล้วก็มีความปรารถนาดีกับความจริงไม่มีอคติไม่มีอคติกับกัณฑ์ในมุฮัมมัดสุลต่านแหละแต่แบบที่เขาท้าดุอายแบบนี้ด้วยฝ่ายเดียวอ่ะนะอาจจะหากวาเป็นเรื่องจริง ขอใฉันตายซะก่อนเอาแสดงว่าตัวเองยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่เอานั่นแสดงถึงอย่างที่บอกมันแสดงถึงแผนของเขาในการที่จะทำลายความจริงและสัจธรรมแบบม ง, งูทำไมคือเขานึกว่าแบบนี้เนี่ยเขาแน่แน่แน่ไงเอา ไหยะของตัวเองนี่มาแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงเนี่ยไม่ฉลาดเลยคนไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะแลกความจริงและสัตธรรมนะกับความไหายานะถูก ต, ต้องไหมเพราะใครก็ตามเนี่ยที่มีความรัก มีความเลื่มใสกับความจริงและศาสรรนาเนี่ยก็อยากได้ความจริงและศาสนาแต่จะมาแลกกับความจริงและศาสนาด้วยไหยาณะเนี่หมอจุ๋ว่าถ้ามันเป็นความจริงไงนะขอให้ฉังตายซะนะก่อนนะก็แสดงว่าตัวเองไงนะไม่จริงใจกับความจริงไม่จริงใจที่จะได้ความจริงซึ่งนี่คําพูดวาจาของคนที่เนรคุณและปฏิเสธกับท่านนบีสุลตาน ล, ลำที่เอ่ยออกมาเป็นวาจาชัดชัด ว่าลึกๆเขาเนี่ไม่อยากรับความจริงหรอกพอแต่ปรากฏว่ามันเป็นความจริงไงนะขอให้ฉันถูกลงโทษถูกลงอาญาให้ฉันตายไปซะก่นอนแสดงว่าลึกๆเนี่ยฉันไม่ไม่อยากเอาอะคนหลายคนนะนะอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้มีวาจาไม่เอ่ยแบบนี้แต่ลึกๆเนี่ยเขาแบบนี้ ใครพูดความจริงใครพูดความถูกต้องกันนะมึงมึงพูดกูดไม่เอาอีกแล้วลึกๆกันถึงจะเป็นความจริงกูก็ไม่เอาแต่เขาไม่กล้าพูดอาจจะเป็นเราก็ได้ไม่จำเป็นว่าความจริงนั่นคือกุรอ่านตัวคุรอ่านนะไม่ใช่ความจริงทั่วไป ความจริงทั่วไปที่มันเป็นความจริงอ่ะที่มันสอดคล้องกับคือความสัตว์จริงอเราจริงใจกับมันไว้แล้วเราแสดงความจริงใจกับมันยังไงยอมรับในความจริงด้วยการค้นหาหรือการตรวจสอบความจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยชาวมากาส ไ, ไ, ไม่เคยทำอะไรเลยและถึงจังหวะถึงโอกาส ท่านนบีอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยที่เขาจะตรวจสอบด้วยตัวเองเหมืนอนยิวไงยิกวก็ตรวจสอบด้วยตัวเองบางคนในี่พบความจริงที่ที่มีตัวเองมีหลักฐานว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นนบีเขาก็ตรวจบางคนก็รับศาสนาบางคนรู้แท้ๆรู้แน่แท้แก่ใจนะว่าเป็นมุฮัมมัดนก้อ้ทไมจไมจิพวกเราไม่ซีอู่กูก็ามามไม่เอา ยังไงก็ไม่เก่อนโน้นนะก่อนโน้นหมายถึงว่าหลายปีเนี่ยการที่บายสูโราอาญาที่พูดถึงเรื่องเนี้เรื่องมุสริกีเนื่องยูนี่กว่าเรื่องนี้มันเป็นนิสัยของกาเฟตนิสัยของยูไม่ใช่มันเป็นนิสัยของใครของมนุษย์ นิสัยของมนุษย์มนุษย์นั้นจจะเป็นยวจะเป็นกาเฟ่จะเป็นแขกจะเป็นแขกจะเป็นมุสลิมมีคราวพวกสารบันสายโตก็มีโอกาสโอกาสที่จะรู้รู้แกใจเนความจริงมันเป็นแบบนี้แท้ๆเลย แต่กูก็ไม่ได้แบางทีก็จะเอาเอาอะไรเสียงทายที่จะมามามาปอบใจตัวเองเรื่องนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบบางทีขัดแย้งกันในเรื่องศาสนา หมายถึงว่าในศา ส, สนาเดียวกันนะั่นนะคัดียงกันในเรื่องศาสนาแล้วก็รู้ว่าฝ่ายน้นนี่เขาฝ่ายน้นนี่เขาก็เขาก็มีเขาก็พุถูกกันนะแต่เราจะยอมรับได้ไงอยอมรับก็เสียเฟรมส่วนมากเขาใช้กันว่าเสียฟอร์ม เฟรมนี่คืเสียกรอบมันจะไม่มีกรอบมันไม่สวยมันเสียภาพลักษณ์ถ้ายอมรับเขาแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่ามั น, น่ะใหญ่กว่าเรามันใช่เราไม่ใช่มันถูกเราผิดไปอย่างงั้นน่ะเสียฟอร์มแต่คนที่รักความจริงเนี่ย สัจธรรมเนี่ยเลื่อมใสกับความจริงเนี่ยเขาไม่คิดอย่างเนี้เขาคิดวาการที่เขายอมจำน้นกับความจริงนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็ฝังตรงข้ามเช่นเดียวกันนะสมมติว่ามีสองฝ่ายเนี่โต้กันนะสมมติว่ามีฝ่ายสองฝ่ายนี่โต้กันนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาโต้กันเพื่อความจริงและสัจธรรมฝ่ายนี้เนี่ยก็ เขาอยากจะพบกับความจริงฝ่ายนี้ก็อยากจะพบกับความจริงแม้ว่าความจริงนั้นอะอยู่กับฝ่ายตรงข้ามกระตา ม, มานะเขาก็จะยอมจำนวนกับความจริงถึงพบความจริงไงนะพอพบความจริงกับอีกฝ่ายหนึง่งเขาก็ยอมแสดงความจำนวนกับความจริงคนเนี้ยฝ่ายเนี้ยเขาก็จะถือว่าที่จำนวนเนี้ยไม่ได้เสียฟอร์มอะไรเลยนะมันเป็นการเพิ่มพูนแล้วก็อีกฝ่ายยิ่งอะนะจะไม่เอาจะไม่เอา จุดเปลี่ยนเนี่ยมาเล่นงานเห็นไหมตัวเองก็ต้องตามสุดท้ายเนี่ยก็ต้องฉะไม่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะนับถือมากกว่าเนี่ยคนเนี้ยหน้าน่หน้าเชื่อถือนับถือมากกว่าถ้าสองฝ่ายเนี่ยเขาเริ่มใสกับความจริงแต่ถ้าทั้งทสองฝ่ายเนี่ยไม่เริ่มใสกับความจริงอ่ะไอคนที่พบแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึ่นจริงนะนะจะไม่ยอม แล้วถ้ายอมนะอีกฝายนึไม่บอกแล้วมึงงงกูบอกแล้วเก็บคะแนนย้อนหลังด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องเสียมารยาทต่อความจริงและสัจธรรมการลงโทษมันไม่ใช่มันไม่ใช่อภิสิทธิ์มันไม่ใช่ สิทธิของมนุษย์ที่จะขอต่อลระสูตรนั้นว่าอะไการลงโทษนะมันไม่ยุิสิอัลลอฮ์ทำอย่างงู้นทอย่างนั้นมันอย่างงูเลลงโทษฉันไม่ยุสิเรื่องลงโทษนี่นเป็นอวิสิทของอัลลอฮ์เสียมารยาทนะที่จะที่จะขอต่ออัลล์แบบนเสียมารยาทแคนั้น อัลลอฮฺสุภานออูดาลเาก็สามารถที่จะสนองตอบราเขาได้ไม่ยถึงว่าทันทีทันใดเลยตอนที่เขาขอเนี่ยลงโทษเลยแต่อัลลอฮฺสุภาห์นออูดาลแสดงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺของอัลลอฮฺสุภาหานออดายังสมบูรณ์ถึงจะขอ ถึงคุรานก็เป็นความจริงนะแต่ก็จะไม่ให้อัลลอฮ์จะให้ตามเงื่อนไขของอัลลอฮ์ไม่ใช่ตามเงื่อนไขของพวกเจ้าอัลลอฮ์ก็เลยว่าเงื่อนไขว่าที่จะลงโทษนี่จะลงโทษเมื่อไหร่ยังไง น, นี่มีงื่อนไขเงื่อนไขที่มาจากอัลลอฮ์ในอายะต่อไปนี่แต่ก่อนนี่จะไปอายะนี้ในเล่มแดงเนี่ยอันนี้เล่มแดงที่พิมพ์ที่มาดีนนะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเล่มสีน้ําเงินเล่มใหญ่บุ้มที่เขาที่เขาปรับปรุงนะที่เขาปรับปรุงที่เขาปรับปรุงเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเพิ่มไม่รู้ตั้งใจเพิ่มไปเพิ่มโดยลอ ง, ลองใครมีเล่มนี่ยลองไปดูไปเพิ่มตรงเนี้ยไปเพิ่มคําเนี้ยห้อยไม่เอกสราราดังหาฝน ไปเพิ่มคำนี้นะไปดูนะันมันมีครับนี้เพิ่มดังหาฝนแกพวกเราเถิดหาฝนนี้มันก็มันก็ได้เหระหาฝนนี่สำนวนทั่วไปเดียวกันหมายนกว่าฝนตกเยอะอันนี้สำนวนหนึ่งหาฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นวิธีมันเป็นมาตรฐานวัดปริมาณฝน สมัยโบราณยังไงอะสมัยโบราณเนี่ยจะรู้ยังไงว่าฝนตกเยอะหรือไม่เยอะเขาจะเอาบาทใส่บาทอ่ะพี่นแต่บาทเออบาทนี่มันมีมันมีขนาดใหญ่และมีขนาดกลางและมีขนาดเล็กผมไม่เคยใส่บาทนะอันนี้ศึกษามาก็เลยรู้น่าะรู้ละเอียดเหลือเกิน เออยมันมีขนาดกลางบาตนี้ขนาดกลางเนี่ยถ้าไปไปวางที่แจ้งที่โลง่งไม่มีต้นไม้ไม่มีบ้านอะไรเนี่ยแล้วฝนเนี่ยมันตกถ้ามันเต็มนะนั่นกนะ็เรียกว่าหาฝนมีความหมายหนึ่งความหมายที่สามหาฝนเนี่ยเป็นชื่อผี เป็นชื่อผีที่นำมาซึ่งโรคระบาดถ้าโรคอื้โรคระบาดร้ายแรงว่นนชื่อผีเนี่ยหาฝนซึ่งมันก็เสีย่ยงถ้าเอาว่มาม า, มาใช้เนี่ยมันก็เสียงกับคำมัะฝน น, น่มันก็พอแล้วกาเข้าใจแล้วนะหาฝนเนี่ยถ้าเป็นความหมายหนึง่งก็หมายถึงว่าเป็นคำเป็นคำประกบ ป, ปะยืนยันแล้วว่าฝนเนี่ยมันเยอะ เอาแบบฝนตกเป็นหินเยอะๆอะไรแบบเนี้ยมันก็พอได้แต่แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยดีกว่าตามเล่มเนี้ยดีกว่าแม้นวลเลมโนนจะเรียกว่าเลมปรับปรุงก็ได้ถ้ากุรานนี่เป็นความจริงหัวลักะถ้าสิ่งนี้คือคุรานหรือท่านนบีที่เป็นความจริงเนี่ยคือความจริงที่มาจาก ที่พระองค์แล้วไส้เนี่ยก็โปรดได้ทรงให้หินจักฟากฟาก้าเพราะอะไรว่าชาวมัก้านี่ทั้งทั้งที่ได้ยินและก็เห็นแกตาใครที่ใครที่ได้ยินนะชาวมัก้านี้ทั้งหมดเี๋ก็ได้ยินประชาชาติยุคก่อนพวกอาศูตยกลุ่มชนช่วยใครได้ใครนี่ก็เคยโดนมาแล้ว อพราะนานี่เขาเคยได้ยินเรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในข้าวสมุุรอาหรับเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งที่ที่ร้ายแรงที่เจ็บแสบและมีที่เห็นแก่ตาก็คือที่เขาเห็นหินหินไม่ใช่หินธรรมาดาในหินไฟด้วยมาจากฟากฟ้านี่ก็มาจากมาจากนกที่อัลลอฮ์ส่งมา มาปามามาโยนกับกองทัพของอับราฮัที่มาทำลายกาบอะอัลลอฮฺตรัสถาใครจะฟ้าละรับูกับ أصحاب الفيل ألم يجعل ك ม د ه م فغ وارسل عليهم طيرا أبابيل ت ر م م ترميهم ไปโยน بحجارة ت ن ه ي นเสดงว่าหินนี่มาจากฟากฟ้านี่มันไม่ใช่เรื่องจินตนาการก็ไม่ เขาไม่ได้ดูเน็ f ฟ i x กดูหนังดูอะไรมันเป็นของจริงอะ่ะที่เขาที่เขาที่เาเจอจริงอะ่ะทั้งได้ยินแล้วก็เห็นกับตาทำไมอะ่ะเพราะมีคนหลายคนชาวมักกะเนี่ยที่เป็นผู้อาวุโสที่ทันเหตุการณ์อามุนฟีลปีช้างปีที่ท่านนาบีเกิดท่าน มีหลายคนที่อายุมากกว่านะีม้มากกว่ายี่สปีสาสิบปีแสดงว่าทันตอนปีช้างนี่เป็นนุ่มเลยนี่เห็นเหตุการณ์รู้เหตุการณ์เขาก็เอาเรื่องที่มันเป็นการลงโทษที่คนทั่วไปนี่เขารู้กันแล้วก็กลัวกันมากว่าเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวมากเนะห็นมาจากภาคฟ้าเีนอนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาขอมามาต่อรองหรือมาเล็กเปลี่ยน กับความจริงและสัจธรรมคือเรื่องเสี่ยงทายเนี่ยเรื่องเสี่ยงขายศาสนาอิสลามเนี่ย้มมมุสลิมเกี่ยวข้องเลยแม้กระทั่งในเรื่องธุรกิจอะไรที่มันเสี่ยงทายอะไรที่มันไม่ชัดเจนห้ามทำการค้าที่มันเป็นแบบนั้น การค้าที่มีความเสี่ยงไายซื้อกระสอบนี้เนี่ยที่มีไปซื้อไปซื้อผ้าผ้ามือสองมือสามมือสี่เนี่ยฮนะซื้อตั้งกระสอบห้ามเลือกเขาก็ต้องไปซื้อตั้งกระสอบในกระสอบนี้มีอะไรไม่รู้อาจจะมีของดีอาจจะมีของไม่ดี เสียงเสียงทายแล้วแต่โชคดีบางทีก็ได้กระสอบหนึ่งซื้อมากระสอบหนึ่งเขาช่างมากระสอบหนึ่งยี่สิบสามสิบกิโลนี่ฮะโอ้โหแล้วก็สมมุตินะครับโอ้โหมาจากหมู่บ้านซูบาดุรุที่ญี่ปุ่นเป็นหมู่บ้านคนรวยสมมติสมมติอีกคนหนึ่งก็โอโ้ไปได้ไปได้ก็มาของญี่ปุ่นเหมือนกันนะนะ โอ้ยจะอันนี้มาจากหมู่บ้านแม่เขาทะก็คือแม่เขาทะซวยเลยโทมาเปิดนี่เนะเสื้อเปือ่อยเสื้อเก่าเสื้อเออเสื้อเชยอะไรเงี้ยนี่ไปถามคนที่เขาบางทีเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าเล่นเสื้อกเล่นเสื้อเก่าใชเล่นเสื้อเก่าทําไมเล่นน่ะผมซื้อไม่รู้ไง ม, ม, มันมันมันมีแค่ไหนมันยังไงมันอะไรอยู่ข้างในมันเป็นอะไรถ้ากูเสือเสี่ยงการค่าที่เสี่ยงที่เสี่ยงที่มีความเสี่ยงไทยนี่ห้ามเล่นเสี่ยงและเล่นนะที่มีความเสี่ยงไทยก็ห้ามก็บาปเหมือนกันแค่เล่นเอาสนุกอย่างเดียวนะไม่ต้องมีอะไรเอาสนุกอย่างเดียวเช่นลูกเตา๋าอะไรที่มีลูกเต๋าเนี่ยไม่ต้องมีการพนันไม่ต้องวางตังค์ไม่ต้องอะไรเลย ลูกเต๋าอย่างเดียวยิงใครได้ใครได้เลขมากกว่านี่ก็รุกอ่าใครได้น้อยนี่ก็ถอยอะไรเงี้ยสมมติใครคล้ายกับลูกเต๋านี่ใครล้ายกับมัน่ะนะแต่มันไม่เต๋ออ่ะอะไรอะ่ะที่เราชอบเล่นกันเหลือเกินอนะ่ะโดมิโน โ, โดมิโนโก็คือลูกเต๋านี่แหละแต่มันนิ่งไม่โยน ลูกเต๋านี่เราทุ๊บโยนแต่โดมิโนนี่เราแจกใช่ป่ะหาแล้วก็ได้อะไรก็ต่อกันต่อกันตามที่ตัวเองมีถูกต้องป่ะมันก็คือมันก็คือคล้ายๆลูกแต่ลูกเต๋าไหลไหลไหลแผ่นไหลอันน่ะนะแล้วก็มาต่อกันอก็ตามที่ได้มาแล้วคล้ายๆนี่แหละคล้ายๆนี่แหละก็คือไพ่ไพ่นี่ มีอะไรแน่นอนเล่นแบบอะไรแน่นอนนะไม่มีไพ่นี่มันก็มีจํานวนหนึ่งแล้วก็แจกแจกแกแจกจแล้วก่อนที่จะแจกก็จะมีเออเคยเล่นมึงก็รู้มึงกานนะเออรู้ทำไมทําไมอ่ะเออรู้ว่ามันเนี่ยผมปนกันแล้ว่งปนแล้ว่ะแล้วก็แจกแจกแจจจกกแล้วก็ ตัครตัวมันละอาคนนี้ก็ได้ฮะได้ควีนได้คิงได้ฮ้ไม่รู้ก็กาตั้งชื่ออะไรกันก็นไม่รู้ก็เสียงไทยไหมละ่ะอาคนนี้คนนี้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมีมีปีเนียโทฮะวันความเสียงไทยสนุกกันเพราะเสียงไทยเนี่ยก็อีรอบเดียวเรื่องเล่เลนดีศาสนาอนุญาต น, นี่คือเล่นที่มีเหตุมีผล แล้วก็สร้างปัญญาสร้างปัญญาหรือให้แข็งแรงสร้างความฉลาดเล่นกันฮิงต์นูว่ายน้ําเออเรื่องนะั่ขีม่ม้าหรืออะไรก็ได้เลยแข่งขันกันให้มีรางวัลไม่มีปัญหาแต่ให้มันมีการแสดงความสามารถคนที่ชนะนี่ชนะเพราะความสามารถไม่ชีชนะเพราะโชคดี ธนาบุกอะไรอ่ะโชคีธนาบุกนี้เนี่ยเขาก็จะมีเทพเทพหรือเทวดาแห่งโชคก่อนที่จะโยนลูกเตานี่ก็จะมีสวดมนต์ก่อนที่จะพลิกตะแกรนี่ก็มีสวดด้วยมีโชคดีไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเล่นไพ่เล่นลูก เขาเลนโดมโนเลนอะไรวกนี e. ้มารุกล่ะมองหน้ายานะเชกยานะยานะปุจบมารุกนี่มีความกัดยงไม่ขอสรุปและกันบอเรากำลังนัดบายสุรเลัมเัล ใครอยากอยากรู้ว่าเออฟัดัยังไงนี่ก็ลองไปดูย้อนหลังแล้วกันแต่หมกรุบแล้วก็ไอเนี้ยเรียกอะไรหมัดหมักฮอตอะไรพวกนี้มันไม่ได้เสี่ยงทายมันรื อ, อความเสี่ยงทายมันไม่มันไม่ปรากฏชัดมันขึ้นอยู่กับความสามารถความสามารถ ข้อห้ามนี่มันมีเรื่องอื่นข้อห้ามที่ที่มีทัศนะที่บอกว่าห้ามมานะมันเกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วก็มีมีทัศนะที่บอกว่าไม่ห้ามนี่ขนาดการค้าการละลิน่นอย่าเอาความเสี่ยงทายมายุ่งเลยสัจธรรมอ่เฮ้ยจะเรื่งนี้เป็นสัจธรรมเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นความเทดเป็นอย่างนี้ยาง เอาเรื่องความเสี่ยงท้ายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับความจริงและสัจธรรมมันคุ้มเหรอมันคุ้มเหรอกับการที่เราและสัจธรรมมันมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กของความจริงและสัจธรรมนะมันสัจธรรมที่มันกําหนดทิศทางชะตากรรมของเราในโลกนี้และในโลกหน้ามันคุ้มอ๋อโอ้พระเจ้าว่ากูอานนี่เป็นความจริงไงนะขออ่านแล้จะเป็นความจริง ตัเองก็หายนะและตายในฐ า, านะผู้บริสัทธิและเป็นชาวนรกตลอดกาลคุมล้มเหรอมันเป็นมันเป็นความจริงและนะ้วไงและคุรอ่านถ้าเป็นความจริงเนี่ยคุรอ่านก็ความบังอาจของชาวมักกะนิลที่ทําให้บางคนเนี่ยบางคนนี่เนื่องจากว่ายอมที่จะแลกเปลี่ยนตัวเองกับความจริงและสาจาสนาแบบนี้เนะ่ย ถึงขั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานาอูวะดลตัดสินว่าจะไม่สัทธาเหมือนอบดลเลหับอย่างที่อธิบายอธิติล้ตบหบวะตมนั่นลสนารันบนี่แหละพวกนี้แหละที่ท้าทายแล้วก็ไม่ยอมคือไม่ยอมจำนวนกับความจริงเอาไม่ยอมจำนวนก็เผื่อไว้นิดนึงไม่เผื่อเอามาเล่นพนันเลย เล่นพนั้นเลยถ า, าว่าเป็นจริงเงนนะ่ะขอให้ฉันตายซะแล้วมันคุ้มเหรอไอหนึ่งในนั้นน่ก็คืออนนัตดรบนลฮาริสที่ที่บอกแล้วว่าที่ที่แล้ว ท, ที่เขาเป็นฝ่ายสงครามทางปัญญาก็จะมีชาวมักกะที่เป็นพวกฝ่ายบุ๊ฝ่ายการทหาร ฝ่ายกำลังเฮ้รวมตัวกันจะฆ่าจะทำลายนบยมูฮัมมัดจะไปดังแกเขาหน่อยจะอะไรนี่แล้วก็มีฝ่ายพวกพวกบุญฝ่ายฝ่ายปัญญาหน่อยนี่ทำสงครามทางปัญญากับท่านนั้นอ่านอ่านสืบดึสอ่านเนี่ยโอ้กูอานนี่ใครๆก็ทำได้ คนอ่านนธรรมดาเป็นคำพูธรรมดาเหมือนมนุษย์แล้วก็เนี่ยที่พูดแบบนี้จนสุดท้ายนี่ตายในสงครามบัตรท่านนบีสั่งให้สังหารในสงครามบัตรไม่คุ้มเลยในชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่จะมาเล่นกับเรื่องความจริงที่จะมามาพนันกับความจริง ก็จะทำซึ่งเรื่องนี้สังคมบ้านเรานีมีเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้หรกูเลี้ยงไม่ใช่โอเลี้ยงนะบ้าเราเฮ้ยเอไอ้งพูดจริงหรือกูเลี้ยงความจริงนะพมิใช่เล่นไพ่กันนะ ไอ้ที่มันเถียงกันไ้ที่มันเถียงกันสคนนี่แหละแต่คนนี้ไม่จริงนะนะบูและในเรื่องนี้มี i s ท <س> ่า <ؤ> นนบี صلى الله ع ل ะ h a d s แบบนี้นะจกอุมอัลอาหมัดชินี h a d s ฮัสันนี่ n นท่านนบีห้ามกินอาหารคนทาย a d s นีีความ สองความหมายอัลมุตบาริย์นีก็คือคนที่คนที่ทา้าคือคนที่พนันกันด้วยอาหารนะเฮ้ยพันันด้วยอาหารเฮ้ยถ้าเรื่องอย่างนั้อย่างนีง้เดี๋ยวกูเลี้ยงเนี่ยไปกินอาหารคนเนี้ยนะฮะนบีห้ามกินทำไมอ่ะก็นสนับสนุนให้เขาพานันกับเรื่องแบบนี้ไงถึงจะเรื่องว่าไม่ไม่ถึงจะเรื่องไร้สาระนะ อาเช่นไอรถเมยนี่รถเมย์นี่มันเลี้ยวขวาแน่นอนถ้ามันเลี้ยวซ้ายหนูกูเลี้ยงบางคนก็พนันกันเรื่องไรสาระแบบนี้แล้วก็แล้วก็ย้อนนี่คนไทยเรานี่แหละแขกก็มีฮึเรื่องไรซาร่เรื่องไรสาร่นี่ยังบาปเนี่เอาแล้วก็เรื่องความจริงล่ะเฮ้ยถ้าไทยโตคูนี่ถูกต้องหรืูเลี้ยงเองไม่ใช่เรื่องที่จะมาพนันกันแบบนี้ไม่ใช่ อีกความหมายหนึ่งของฮันนิเนี่ยนา ม, มบาบ ย, ยนก็คือแข่งขันกันในการเลี้ยงสองตระกูลตระกูลนี่มีวลีมาล้มหัวสองตัวตระกูลนี่เฮ้ยไม่ได้สามตัวตระกูลนี่ของงน้นงานบพล่ะสิอันนี้ไม่วลีมานีพามางานศบล้มหัวเหมือนกัน ทำไมต้องล้มบวัวน่าสงสารน่วบวียนัวนี่ก็ลมบว่าอะไรพวกมึงเป็นก็ล้มกูตายกูก็ล้มวันนมว น, นี่บอกว่ามนุษย์อ่อนปัญญาจริงๆเอะ อ, อะไรก็ล้มบวัวมีด้วยขนมนี่ดังๆนด้อย่ขนมสิบอย่างพอไมไม่ได้ลูกหลานเราต้อง สิบห้าอย่างจะน้อยกว่าพวกนี้ไม่ได้เนี่ยบนบีบอกว่าปิกินอาหารพวกที่ชอบแข่งขันกันแบบนี้อย่าปิกินเลยทำไมอ่ะมันสนองความโอหังยะโสของพวกเนี่ยอาหารของเนี่ยบุฟเฟ่สามสิบเมตรของบ้านในแค่ยี่สิบห้าเมตรมันสนองความ แตกบบรรบุของเขาอานเราก็เป็นแบบนี้เหตุผลที่นะบีห้ามกินบุญคนตายอะก็เหตุผลนี้แหละทาไมอะพุทธกอ่อ น, นนะุ่นอะเขาทําบุญคนตายเนี่ยโออวดกันเหมือนที่โอ้อวดทําบุญคนเป็นคนเป็นเนี่ยเขาก็ทําทบุญ สร้างบ้ากนกระทําบุญแต่งงานกระทําบุญมีลูกกระทําบุญอันนี้ไม่ว่ากันไปเป็นเนม่าให้เนี่ชุกโกรต่อัลลอฮ์นี่ก็ชุกโกรธไปแต่ศีลธรรมของอิสลามนี่บอกว่าทําบุญเนี่นะกระทําบุญจริงให้เลี้ยงคนจนคนกัดสนอ่าละแตวรีมาเลี้ยงแต่คนรวยคนอิม่มคนไี่มีพุงอย่างเดียว นั่นเรียกว่าชั่รต้ามิวลีมาเป็นวลีมาที่เลวรายที่สุดเลวรายที่สุดวลีมาเพราะเชนคนรวยแล้วก็มีเชนคนจนมาด้วยคนยังไงเอาพวกนี้มานั่งกับกูได้ไงคนระดับกันคนละสถานะกันใี่เป็นนั่งตรงนุ้นไปนั่งนอกบ้านนหลายอย่างบ้านเราต้องแก่กันเนาะ หลายอย่างต้องแก้แก้ที่เราก่อนถ้าทําบุญนี่ก็เสรหมดสมมติว่าเราเป็นคนรวยสมมตินะแล้วก็มีคนจนมากินกันโอ้ยนี่ชนชนชนบริการเขาแสดงสปิริตสปิริคืออะไรคือใจรวยไม่สิกระเป๋ารวยแต่ใจนี่จนใจนี่แย่ใจไม่กว้าง ทำบุญกับคนจนเหมือนเราเป็นเจ้าภาพเลยนี่ให้เขารู้สึกว่าเออนั่งกับคนรวยนี่มันไม่จิตมันไม่ทีเรื่องได้คนรวยเขาไม่เขาไม่เขาไม่รังเกียจเราต้องทําให้เห็นทําทําให้ได้จะได้มีความรู้สึกความรู้สึกเลวร้ายของการแบ่งวรรณะที่อิสลามได้มาทําลายทำํำลาย คนฉันสูงคนฉันดำฉันกินต้องมีต้องเฉพาะของฉันคนอื่นมาไม่ได้นี่คนจนจะมานังสหาบาับางบางท่านนี่นะรับฐบานอาหารเนี่ยทุกครั้งเนี่ก็จะให้ลูกเนี่ยเรียกคนจนมากินด้วยถ้าไม่มีไม่กินขนาดนั้นเขาท้าหรือ เอาความเสี่ยงทายมาพ น, นันเพื่อรองรับความแน่ใจของตัวเองและด i ครดิตความน่าเชื่อถือของกุรอาันแต่คุรอนันจริงงั้นนะขอให้เรานี่โอ้โ oh ห oh, นี่คนเอาชีวิตของเขานี่มมาแลกกับความจริงในแสดงว่าเขาแน่ขนาดไหน mm hmm. ตอนเราก็ไม่สนอง ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของพวกคุณอัลลอฮ์จะลงโทษไม่ลงโทษในในเรื่องของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตั้งเงื่อนไขด้วยและนี่คือสุดยอดของเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทำไมถ้าอัลลอฮล้วอันลอฮ์จะสนองเหรออัลลอฮ์จะให้โอกาส ที e. ่สู่วัวเออการท้าของเขานี่อัลลอ์จะสนองให้ความสำคัญกับการท้าทายของเขาหรอไม่ว <in> ่ามาคานอัลลอฮลวะซิบะฮมูอ <Could S 1> ันเตฟฮมวมาคานัลลอฮฺม <Speaking S 1> ูอซิบะฮฺมวะฮฺมยะสตัฟิรุนแล้วพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าอยู่ในพวกเขาเจ้าอมหฮัมมัดอยู่ในหมู่พวกเขา และอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษว่าการอัลลอฮฺมมหมัดซิบฮฺทั้งดังนี้พวกเขาขออภัยโทษกันว่าฮมิจต้องชูนั่นนุอับดุลลินยาบบสบะว่ากาฟีนาอมการฟีนาอเมนันพวกรานี มีประกันภัยประกันภัยสองประการมีประกันภัยสิ่งที่จะประกันไม่ให้เราได้ประสบภัยสองประการเฝ้ามลเอาะ فقد มดะประการแรกเนี่ยไปแล้วว่ายฟีนัสนสิ่งที่ประกันภัยเนี่ย เน้นการอยู่ของท่านนาบีถ้านาบีอยู่ามาเกาลนอัลลอฮุมอาลิบะฮุม Allah จะไม่ลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าอยู่ในขณะที่ท่านนาบีอยู่นะแลลวเราจะไม่ลงโทษแสดงว่าการมีชีวิตและการปรากฏของท่านนาบีในยุคนั้นนะ่ะถือว่าเป็นการประกันที่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเหมือนยุคบรรดาใ น, นาบียุค ก, ก่อนนะนบียุค ก, ก่อนนะ่ะนะ แค่ให้นบีเนี่ยออกจากเมืองออกจากเมืองแล้วก็โดนเลยเท่ี่สูบเอ้หินเป็นฝนเอ้ยลงเลยแต่นี้ไม่นี่ต่อเมื่อท่านนบีอยู่มีชีวิตอยู่นะการลงโทษเหมือนประชาชนยุค ก, ก่อนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนี่แต่ณะที่ถูกต้องในการอธิบาย อ, าอย้ยานี่เพราะฉะนั้น ชาวคูเรจเนี่ยทั้งนั้นที่ปฏิเสธ น, นบีเหมือนประชาชาติยุคก่อนและท้าทาย Allah ท้าทายนบีเหมือนประชาชาติยุคก่อนแต่ไม่ถูกลงโทษเหมือนประชาชาติยุคก่อนไม่เคยถูกการณิสุกไม่เคยถูกฝนหินไม่เคยถูกสาบแช่งเหมือนประชาชาติยุคก่อนเพราะอะไรเพราะนบีอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าห่างจากเมืองอะนะก็นบีออกจากมักกะแล้ว นบีออกจากมักกะแล้วไปอยู่มาดีในแล้วอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษอุลามาบางท่านบอกว่าที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษชาวมักกะเนี่ยแม้ว่านบีออกนะนบีก็ออกแล้วก็สมควรที่จะลงโทษแต่ไม่ไม่ได้ลงโทษนีเพราะที่มักกะยังมีผู้ศรัทธาที่ขออภัยโทษอยู่แล้วก็ไม่สามารถอพยพไปหาท่านนบี แต่ทานนี้ในมองผมนี่อ่อนเพราะอะไรเพราะการขออภยัยโทษของเขาเนี่ยพอที่จะมีประโยชน์สำหรับผู้สัทวาคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นนะก็ถูกตำหนิในคุรานว่าเขาไม่ยอม อ, อพยพไปไปมาดีนะถูกตำหนิเพราะยอมอยู่กับชาวมักกะ ยอมอยู ي ي ่ร่วมกับเขาบางทีเนี่ก็เขายกทัพไปสู้รบกับนาบีเขาก็ต้องออกไปสู้รบกับนาบีเขาก็ถูกตำหนิฉะนั้นมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคุณงามความดีใดๆในการที่จะมีผู้สัตย์ขออภัยโทษให้เขาแต่ที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษและเป็นเหตุผลจริงนี่ก็คือการที่อัลลอฮ์ให้เกียรติท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ์วาเลาะห เพราะยุคของท่านนบีประชาชาติประชาชาติที่รับอิสลามก็คือประชาชาติที่จะขอบพรย์ตัต่อ Allah อันนี้ก็เรียกกันอุมมะทุลอิจาร์ประชาชนที่ตอบรับนบีแล้วก็มีประชาชาติของท่านนบีเหมือนกันเป็นอุมมะของท่านนบีเขาเรียกอุหมะทุดดาวะ ประชาชาติที่นบีเชิญชวนอยู่เชิญ่วนอยู่อัลลอฮยังให้โอกาสตามคําร้องขอของท่านนาบีว่านาบีอยากจะอยากจะดาว่าเขาเผื่อว่าเขาจะศรัทธาหรือมีลูกหลานของเขาเนี่ยจะเกิดมาแลา้วศรัทธาตามที่นบีได้ขอทัออ่วโลก ตามที่นอัลวัซด้บอกว่ามีสองประกันภัยประกันภัยแรกนี่คือการที่แน บ, บีมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ก็จะไม่ลงโทษให้มมีชีวิตอยู่และอันนี้เป็นหลักฐานตูคน้คนที่อ้างว่าคนที่อ้างว่า أيانا صورة النساء دي الله بواء، ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم ولو أنهم ه ؤ ل ا كاو بيأثموا أ ن ف ه م ك م ع ي ه هو ب أ م م ي ت ه م باب جاءوك بما هاجوه محمد. ฟ้าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ว่าัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่า ا ل ลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่าัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์วาอัีลอฮ์วาอัลลอฮว่อัลลว่าอั์ว่าฮาอัฮ์ว่าออาลาอัลลอฮ์ว่าอัลอฮัลาอ่ว่า คนมุชริกินหรือมุนาฟิกีนใน ย, ยุคทีน่น บ, บีมีชีวิตอยู่แต่มีกลุ่มหนึ่งเป็นพวกซูฟีสุดโตบอกว่าไม่ายานีทั้งนบีเป็นทั้งนบีตายแล้วฉะนั้นถ้าเราทำบาปละก็ไปอุโบนบี แล้วก็ไปขออภัยโทษต่อ Allah แล้วก็ขอให้นบีขออภัยโทษ Allah จะให้อภัยโทษทั้งนบีอยู่นี่ก็บกนะก็บอกว่านิ่งอายันว่สตอฟฟ์ฟาราลูกมุรสุลทั้งเป็นละก็ตายนี่ขอได้แต่อายันิในสุรัตอันเฟลสิ่งที่ประการเนี่ยสองประการหนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัด และท่นานนบีมุฮัมมัดนี่ไม่มีแล้วล่ะทางที่เบบสบอกไม่มีอ่ะอะไรอ่ะสิ่งประกันที่สองนี่คืออะไรอ่ะการที่เราขออภัยโทษต่อหรอเอา้าถ้าหากว่าการที่นบีขออภัยโทษได้ทั้งเป็นทั้งตายนะสแสดงว่านาบีจะไม่เป็นประกันภัยเฉพาะตอนที่นบีเป็นเลยเอียบบสไม่ควรที่จะบอกสิว่าเรามีสิ่งประกันเนี่ยสองประกัน ประการหนึ่งไปแล้วไปแล้วนี่หมายถึงว่านาบีจะขออะไรก็ให้เรานี่ไม่ได้แล้วนี่คือความเข้าเจของซาฮาบะไงแล้วไม่เคยปรากฏว่าซาฮาบะเนี่ยคนหนึ่งคนใดหลังจากท่านนาบีแน่นอนก็ต้องมีคนทําบาปและไม่มีใครที่ยุคตะเบียอินที่ซาฮาบะเนี่สั่งสอนว่าใครทําบาปนี่นะ่ะไปเลยซื้อตั๋วไปมาดีนะั่นเหร ไกูบอกแล้วก็ไปขอให้นบีสิฟานเม่มีใครพูดอุลามาก็มีใครพูดแต่มีพวกซูฟีสุตโตที่พูดแบบนี้แล้วก็มีเดบันสุดโตมีสุโตมแล้วก็มีกาลังสองสุพวกนี้ไม่ใช่นบีอย่างเดียนะหมดเลย เชริโดตายเนี่ยกะให้ตายซะแล้วก็เดีพยวหากูโบเขาก็ได้เชอริโดจะคนที่รักเชอริโดเหลือเกินโอ้โูอาเชอริโดน เ, รรเนี่ยร้องมุสจิบจริงๆเนี่ยพอตายแล้วฮเป็นผงแล้วเป็นซากศพแล้วเชริโดจะขอไปตัวด้ฉันด้วยเขามอก็ขาหมดเลย คนซนและคนดีบรรดานัลลอฮฺรษูลทั้งหลายนี่ไปได้หมดไปที่กูโบ่แล้วก็ับไปขอขอจากเขาเขาบอกเราไม่ได้ทำเช่กนี่เพราะเราไม่เราไม่ได้ขอจากเขาเราไม่ได้ขอจากเขาเราขอจากอัลลอฮฺนี่แหละแต่เราขอให้เขาขอให้เราเป็นเหมือนแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยสถานะความเป็นพระเจ้าความเป็นเบา สถานะของเบาที่ต้องขอขอพระเจ้าอย่างเดียวที่หลักฐานในศาสนานี่มันเติมเพียบหมดเลยนี่ว่าขอนี่ก็ต้องขออัลลอฮ์อย่างเดียวแสดงว่าสถานะนี่มันก็ไม่มีแล้วสิอาจะหาว่าเรา่างเรากับอัลลอฮ์นี่ก็มีแอปพลิเคชันต่างอะไรกับมุชริกนที่ตั้งจเจวนะัน่ะและนับบีมาประนามเขาบอกว่า แต่ตั้งภากไดังไงวไไไไวพวกมัน ولكن ที่ยุเรีไม่ไวนพวกดจวิตหล้วเนี้ย แ, แต่ถ้าว่าที่เราวอนิวกมันเนี้เราไดอยู่ใกล้ชิดพอเราขอนี่ก็ขอใกล้ชิดกับลัคนส์สวรรค์แล้วก็เวลาให้เหตุผลด้วยนะ ไปขอต๊ะตะเกียไปขอต๊ะมะก่อมกูมโบคนสอเนี่มีเหตุมีผลไปนะเ mm hmm. ขาบอกว่าอ้าวสมมตินะสมมุตินะจะไปหานายกอย่างเงี้ยไปคนเดียวนี่นะอาจจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีกป้อมไปด้วยใครเอาผมปรโมตประโมตใครผมมากับท่านปวิทย์ครับอยอมเข้าไหมา เขาทันทีเลยเขาบอกว่านี่ไงถ้าเราขอขอไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเราไปหาตัวตเตียไปหานีบีไปหาตัวมาซาเล่คนโน่นคนนี้เนี่ยนะโอ้ยพวกนี้คนมีมีตำแหน่งมีมีสถานะเราไปนี่เขาจะได้พาเราพาเราไปหาอัลลอฮ์ทำไมต่างกันะไรกับอะไรนะซูบี <laughs> เราก็อยากจะให้ผู้ปกครองนี่อยาให้มีเส้นมีสายให้ช่วยเหลือประชาชนทุกคนหะให้เหมือนกันหมดคนนี้มีเส้นมีสายคนนี้มีน้ำบัตรของคนนู้นคนนี้คนนี้ได้มากกว่าคนมากกว่าคนรู้คนคนไทยนี่ก็ต้องเหนื่อยแบบนี้พิมพ์น้ำบัตรเยอะต่าง่ทํานี่มูน้ำบัตรเยอะไหมเยอะเกลี่ยบเลย ะสะรุปแล้วสองสองสิ่งที่จะประกันประกันให้เราพ้นจากภัยอาสาบอาสาบเอาเ่าอาสาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยโลกนี้ท่านบีอยู่เนี่ยพ้นละชาวมักกะญยังไม่โดนมาแต่ละท้านบีไม่อยู่ล่ะถ้านในโลกนี้เนี่ย ใคก็ตามนุษย์ใครก็ตาไม่ได้เป็นยากพี่น้องนบีไม่ได้เป็นลูกหลานนบีไม่ได้เป็นใครแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่เสมอภาคเหมือนกันหมดเลยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษเหมือนกันหมดเลยเป็นสิ่งคำประกันที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหนือกว่าใคร อยู่ที่ว่าใครจะขอพระยโทษมากกว่าใครต่างหากขอมากกว่าจริงจังกว่าในการขอเนี่ยนั่นแหะได้มากกว่าแต่ไม่ใช่ได้อ่านี่ขอพระยโทษแตคนนี้เนี่ยเป็นลูกหลนานนบีคนนี้เนี่ยฮะเป็นคนที่อยู่มักกะแสดงว่าดูอามาเร็วกว่าเลยไม่ใช่คนอาจจะห่างจากมักกะห่างจากกาบะดูอาถึงก่อนที่คนกําลังของหน้าหินดํา คนที่กำลังเอา อ, อกนิดมุลตา زم เนี่ย ก, กลังกำลังเกาะมุลตา زم เนี่ยแล้วก็ขอแต่คนอยู่ที่อื่นนี่อัลลอฮ์จะให้คนอัลลอฮ์จะไม่ให้ไม่ไดีขึ้นอยู่ที่ความใกล้ความไกลไม่ไดีขึ้นอยู่ที่ฮะสถานะด้านการเงินคนรวยคนจนคนไม่ไดีอยู่ไม่ไดีขึ้นอยู่ที่ฐานะตระกูลศักดินาอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้เลย แล้ววันเกียรมาล่ะเช่นเดียวกันอภัยโทษแน่นอนช่วยเราการขออภัยโทษต่อเราช่วยเราแน่นอนในวันเกียร์มาและนบีละช่วยเราช่วยโอ้โช่วยไงยะบรรดาชาฟะะต์มันไม่ชาฟะะเดียวนะมันมีหลายชาฟะะหลายความช่วยเหลือแต่มีความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่นี่นบีช่วยเหลือมนุษย์เชาติทั้งหลาย ชัฟาอุ้มมชัฟาอุ้มมาลำมีชัฟาอื่นชั่วฟาอื่นอื่นนี่อันนี้พิเศษเสมาพูสดาเสมอพูสดาชั่วฟ้าให้พูสดาที่จะต้องผ่านนรก ก่อนเข้าสวรรค์นบีจะสฟาให้เขาเข้าสวรรค์ทันทีสฟาให้คนที่ผู้ศรัทธาที่จะเข้าสวรรค์แต่อยู่ชั้นต่ําให้ขึ้นชั้นสูงสฟาของผู้ศรัทธาที่จะอยู่ในรกอยู่นานให้อยู่เวลาสั้นสั้นกว่าเดิม บรนดาษสภาทั้งหลายแล้วก็จะมีสภาที่ไงสําหรับผู้สัตย์ท้งหลายที่ท่านนบีสุลตัลลอฮฺอัลัยยุสสลามได้กล่าวอิดดะฮ์ฮาร์ตุสภาที่ลีอัลลิลคาบะอีริมุนอุมมติฮะดิษนี้อัลลมบังดันกว่าก็อ่อนแอแต่เนื้อหางานมีหลักฐานอื่นๆสมทบแล้วมันมันก็จะเป็นเรื่อง จะฟวาที่ท่านนบีจะช่วยเหลือคนที่ทําบาปใหญ่ก็คือคนที่แทบจะไม่รอดแลว้วอ่ะต้องลงโทษเทียงสาห์นบีก็จะช่วยเหลือแสดงว่าการช่วยเหลือของท่านนบีอันเกียร ม, มาเนี่ยอันนี้มีชีวิตกันแล้วไงเราก็มีชีวิตนบีก็มีชีวิตแต่ชีวิตในโลกนู้นไม่เหมือนชีวิตในโลกนี้ไม่เหมือนชีวิตในโลกนี้ แต่มันก็เป็นการยืยนยันว่านบวีเนี่ยมีประโยชน์ตามใดท่านมีชีวิตแต่ถ้าท่านไม่มีชีวิตตัวท่านน่ะตัวท่านน่ะช่วยเหลือเราไม่ได้แต่อะไรที่ช่วยได้อะศาสนาคำสั่งสอนของท่านการปฏิบัติตามคำสั่งสอน การสนับสนุนซุนนะของท่านอันนี้เนี่ยช่วยได้ช่วยเราได้เยอะเลยซึ่งอย่างดีสิพูดถึงเรื่องนี้รองรับเรื่องนี้นี่ยเยอะแยะมากมายเลยทำไมอ่ะเขาหากว่าเราอยู่ในหมู่คณะที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านที่ช่วยเหลือท่านสิ่งที่นะสิ่งที่ตายตัวท่านนับีเเนี่ยก็คือรีระของท่าน นั่นแนหะที่ท่านนาบีตายแต่สิ่งที่ไม่ได้ตายก็คือคำสั่งสอนของท่านนาบีคําสั่งสอนของท่านนาบีเนี่ยจึงมีประโยชน์เพราะไม่ตายไงยังมีชีวิตอยู่กุรอานะไครรดีฮิตมั่นในกุรอาดสุนนะไคดีฮิตมั่นในสุนนะแนวทางของท่านนาบีการฝึกฝนสุนนะของท่านนาบีการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีการเผยแพร่สุนนะของท่านนาบีนี่ทั้งหมดเนี่ยช่วย ใครทำมีช่วยแล้วถ้าใครไม่ทำละ่ะก็ขาดทุนฉันช่วยฉันช่วยเสียแดงฉันช่วยสีส้มฉันช่วยสีฟ้าสีน้ำเงินนะผู้นำเขาฉันช่วยช่วยเต็มที่เลยพี่บอกมาเลย หาเสียงไหขายเสียงได้哟เฮ้ยมาช่วยหาเสียงให้นบีหน่อยดิยังไงอะเสียง <c oughs> หาเสียงให้คนให้คนเลือกนบีอะให้คนยอมเอานาบีมาเป็นผู้นาําอะนี่หาเสียงให้นบีอะ ทำงานกันหาเสียงให้ท่านนบีบ้างไหมไอ้คนที่ชอบเป็นขี้ข่าของนักการเมืองแล้วก็ไปหาเสียงให้เขายอมหาเสียงให้ท่านนบีบ้างไหมได้ประโยชน์ไหมล่ะแต่คนที่หาเสียงให้เจ้านายของเขาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกคะแนนเสียงเขาเรียกหัวคะแนนแล้วเสียงอ่ะ ที่เขาไปหาาหางหางคะแน น, นนั้นหัวคะแนนนั้นหางคะแนนมีสิมีประโยชน์มาก้ากว่าท่านนาบีเสียชีวิตตัวนบีเนี่ยช่วยเราไม่ได้ตัวนบีเนี่ยจะไม่จะไม่ฟื้นฟูแล้วก็จะมาขอดุอาให้เราเหมือนพวกซูฟีสุดโต่งนี่ผมไม่อยู่ซูฟีทุกคณะที่เขาเชื่อแบบนี้นะมีพวกสุดโต่งเท่านั้นนะ่ะอ่า ปากีนี่็มีเยอะมีพวกเบลูริยาเนี่ยเขาเชื่อนบีนี่มีชีวิตแล้วทุกครั้งที่สลาวัดนบีเนี่ยโดยเฉพาะมูลิดนบีเนี่ยนบีมานะแล้วเวลาเขาจะสลาวัดนี่ก็ต้องยืนยืนนบีมาหนบีมาอความเชื่อแบบนี้เปลี่ยน ถ้าถ้าจงใจที่จะปฏิเสธอายะที่อัลลอ์บอกว่าอินเกะไม่ยตุ้นว่าอินนหุมไม่ยตุ้นเจ้าจะตายและพวกเขาก็จะตายแต่จงใจที่จะปฏิเสธอายะนี่เนะี่ยก็ถือว่าใบแดงก็ปฏิเสธอายะในกุษานแต่ส่วนมากนี่พอเขาคือเขายกย่องนบีขเขาแสดงความรักต่อนบีเนี่ย เขาไม่คืออาญานี่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงจริงไม่คือผมเชื่อนะว่าซูฟีถึงจะสุดตองเนี่ยแต่เหตุผลหนูเขาเูีว่าเขารักน บ, บีจริงนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักเขารักน บ, บีจริงนะเชื่อไหมล่าสุดเนี่ยที่ชาลีเอฟโดเนี่ยที่เขาเอาภาพนาบมีมาล้อเลียนมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะ น่ะที่ออกมาประท้วงมากที่สุดในโลกนี่นี่สอสามที่ผ่นไปแล้วเนี่ยทิวาคิสถานก็บวกนี่แหละสูอตองนี่แหละานามีได้ไงเารักนามีจริงอะคือจะว่าเขาาเารักนามีจริงแต่เราต้องบอกว่ารัมีิก็ต้องคือต้องคือรักตามอารมณ์เนี่ยไม่ได้ฮะบอกว่าสุภาษิตอารับเขาบอกว่าความรักนี่บางชนิดเนี่ยนะ อาจจะทําให้ตายก็ได้เหมือนมีนี่ที่รักลูกอ่ะมีเนี่รักลูกรักมากเลยแล้วบอดีก็มีตัวเพึ่งนี่มาตอมมาตอมีนี่ก็เลยกลัวว่าตัวเพิ่งนี่มันจะมันจะต่อยลูกมันก็เลยเอาหินก้อนใหญ่พอตัวเพิ่งนี่มันไปตอมที่จมูกนี่มันก็เลยเอากินน้ำ ก็เลยมีที่ไปที่มาของสุภาษิตว่าโอมีนความรักมาฆ่าักความรักบางชนิดอาจจะนํามาซึ่งความหายนะหะอยากจะรักจะมงก็ต้องรักให้ถูกที่ถูกทางรักให้เป็นเหตุเป็นผลอย่ารักตามอารมณ์โดยเฉพาะความรักต่อท่านนบีเป็นอับาดะความรักต่ออัลลอฮ์ก็เป็นอับาดะ อัลล رسول ไม่ได้บอกว่าให้รักตามอำเภอใจอยากจะรักแสดงความรักยังไงเนี่ยเออเชิญเลยทำไมอะ่ะเราก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีคนที่เขารักกันอยากและอยากจะแสดงะนะก็เกิดเกิดหลงอ่ะหลงศาสนากันไงอิสลามมีก็เลยคำชับว่าโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่แหละรักนี่ก็ต้องรักตามกรอบที่อัลลอได้วางไว้ตามมิถนนาบีวางไว้ อะไรที่ไม่มีกรอบนี่ไปดูสิคนที่นบีการันตีความรักของเขาก็คือคนที่รักท่านนบีมากที่สุดคือคนที่รักนบีต่อหน้านบีและการ น, นบีเนี่ยยอมรับในความรักของเขาสอบดูสิสอบเขารักนบียังไงขอบเขตเขารักนบียังไงทํำแต่แยเๆีย่ยยล่วงเกินแย่ทำเกินแบบนั้นเราจะปลอดภัยนี่คือกรอบความรักต่อท่านนบีสลุลต่าน อายะนี้ก็จะเป็นอายะที่ให้เกียรติท่านนบีสุลต่านอเลมเต็มที่และในขณะเดียวกันอายะนี้เนี่ยกมชับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องช่วยตัวเองด้วยอิสติลฟาร์อิสติลฟาร์เนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับอิสติลฟาร์สหรับผู้ศรัทธาในบรรดาหลักฐานต่างๆที่ท่านนบีลอลม ที่พูดมาซึ่งเวลามันก็ไม่พอนะครับที่จะพูดเรื่องระวังว่าในโอกาสอื่นแต่ใครอยากจะเพิ่มความรู้ก็ผมก็ได้พูดเรื่องอิสสะฟาร์ในในการศึกเรื่องนก็ไปดูย้อนหลังได้ประโยชน์ของอิสสะฟาร์สำนวนต่างๆของอิสสะฟาร์ทักษะในการอิสสะฟาร์สำนวนด้วยอิสสะฟาร์ที่มีประโยชน์อันนี้ศึกษาได้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ละเอียดถีทวนเพราะเรายิ่งรู้ หลักการของอิสฟามมากขึ้นเรายิ่งมีโอกาสได้อภัยโทษมากกว่าคนที่กล่าวอัสลามุลลอฮ์อย่างเดียวเฉยๆไม่เหมือนคนที่กล่าวไซดุลอิสลัวนาอิสลามที่เป็านนาบีเ ไ, ไม่เหมือนกันแน่นอนคนที่กล่าวอิสลามหนึ่งครั้งไม่เท่ากับคนที่อิสาร้อยครั้งคนที่กล่าวอัสฟารุลลอฮ์ละอีมไม่เท่ากับคนที่กล่าว ا س ت غ ف ر الله الذي لا إله إلا هو الحي ا ل ق ي و م وأتوب إليه. ماي เหมือน ن p o p h e t ي بوق ماي เหมือน استغفر الله لبّلّع ل ب ا م بيت تاهري؟ ماي แน؟ استغفر الله لبّلّعهم ماي แน؟ ت س ت غ ف ر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي ا ل ق ي و م وأتوب إليه لبّلّع ق لك بيت م و د แมนว่าในบาปใหญ่เนี่ยหนีสงครามอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นบาปใหญ่เนี่ยดาดนี่ก็เคยแนะนำก่อนหน้านี้นี่คือประโยชน์ของอิสาประโยชน์ของการศึกษารายละเอียดของอิสลาสหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่อยากจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการลบล้างความผิดของตัวเองอัสลมลลอฮอลนบีา u h d و ع ل ي